ครับพอดีเออการอยู่สานีสยกับลูกชยอยู่ชายผมคิดตมา้างอ่าอ่าเดี๋ยวถามกรว่าเพราะว่าผมไม่ได้ป่วยเพราะว่าถามาตัวเลยครับครับครับครับครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างมันเป็นูยครับอืมมันวัวมันปูจิ้มใส่มือที่นึงมือทีลางมือล้งมือแล้วข้อส่งมือมันปูวมนสิีอ่ะอืมใช่ใช่ หมอเีกซเร ย, ย์รู้อว่ามัยังดีแล้วนไหกันเป็นผงน่ะก็เลยปูพรมอยู่อ่คือโรคโนี้อ่ะนะอ่าหมอบอกใช่ั้ยว่าโรคเนี้ยมันเป็นจากเลือดของเราหมอหม อ, ไ, ปปอไม่ได้บอกแอโรคนี้มันเกิดจากเลือดของเราหมอบอกว่ากินยาแก้ปวดมาทานยาแก้ปวดมาเจ้ากาน ก, า ก, า ก, า ก, ากา็เลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือเรามันเป็นโรคเนี้ยมันธรรมดา ม, มันก็ต้องกินยาแก้ปวดอยู่แล้ว ไปหาหมอหมอก็ต้องให้ยาแก้ปวดมาอยู่ดีใช่ไหมเอเอไอไอการที่มันเป็นโรคเนี่ยก็เพราะว่าเลือดเราเนี้ยมันเป็นทิศในตัวของเราเองเขาเรียกมันจะในในร่างกายของเรามันจะมีเม็ดเลือดแดงกับเม็ดเลือดขาวทีนี้ไอตัวเม็ดเลือดขาวเนี่ยคือตัวที่คอยฆ่าเชื้อโรคอะไรต่างๆที่เราเผลอกินเข้าไปหรือว่ามันหลุดเข้าไปในตัวเราไอเม็ดเลือดขาวมันจะคอยกำจัดคอยไอล้างมันทิ้งแต่ว่า เมิเลือดขาวของอผู้ป่วยเองเนี่ยไม่ไม่ได้จับแค่เชื้อโรค ก, กลับไปกินเ อ, เ, อเนื้อของตัวเองเออไปกินเนื้อไปทําลายเนื้อของตัวเองเนี่ยมันถึงไม่มียาไงเนี่ยโรคเนี้ยไม่มียาเอ่ารักษามาอย่างไงคือเป็นๆให้หายนะ่ะคือถ้าไปเป็นมาถ้าเกิดเราไม่เครียดเราไม่คือเราไม่เครียดไม่ไม่ไมตังวลอะไรมากมายไม่ อนอนพักผ่อนดีๆทำจิตใจให้สบายเนี่ยมันก็มันก็ช่วยให้เราดีขึ้นได้อ่าเป็นบางส่วนแต่ว่ามันเป็นขนาดนี้แล้วมันเราจะต้องมีอะไรไปช่วยร่างกายแล้วอืมที่คุยกับพี่ชายเมื่อวันก่อนเนี่ยก็มันมีตัวปรับหมายความว่าตัวควบคุมเม็ดเลือดขาว อ, ะอ่ะอ่าคือตอนนี้เราต้องควบคุมมันอย่างเดียวเราจะฆ่าหรือจะทำลายเม็ดเลือดขาวทิ้งไม่ได้เพราะถ้าทำอย่างงั้นเราก็ตาย นี้เราต้องต้องอยู่กับมันวิธีการคือเราต้องอยู่กับมันไอตัวเนี้ยมันช่วยให้เราอยู่กับเม็ดเลือดขาวได้แต่ว่ามันต้องใช้เวลาหน่อยนะเพราะมันไม่ใช่ยาอืมต้องกินไปเรื่อยๆแล้วก็ยาหากักโหมมีเวลาก็พักผ่อนบ้างทำจิตใจให้สบายไม่ได้มันนไม่ได้แือ่ น, นอนอย่างเดียวเวอนอนกลัดหอ่า่งว่าเครียดหนักปกว่าเก่าอีก ครับครับนทอไทไม่ได้เลยหืขามันอไม่ได้เลยก็เล ย, เล ย, เลยนนงินงนอนในั้งวันมัคือลก็นอนอืมอมืนั่น<ม>ก็พิจารณาใรักษาตัวเองต่อไปแหละเพราะว่าถึงหมอไม่มียาแต่ว่าตอนนี้สมัยนี้มันเป็นสมัยใหม่แล้วฝรั่งเขามีวิธีการรักษาแล้วอืมใจเย็นๆแล้วก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่ามันต้องใช้เวลาหน่อยนะอืมกินดีกว่าไม่กิน คือคือถ้าเราไม่กินเนี่ยเราก็เหมือนว่าเราปล่อยเราทิ้งแล้วอืมถ้าเรากินเราก็ยังรักษาตัวเองอยู่ อ, ยอืมใช่มัเ <laughs> พราะมันไม่มียายใช่ไหมใครบอกอะไรดีก็กินหมดในชะ่อ่าใช่<อ>แต่พรากคนอยากหายเนี่ยอืมก็ดีกินดีก็ไม่กินเน่ยกินมากกินน้อยก็ดีกว่าไม่กิน น, ก น, น่ะ น, นะอืม เราเคยีคนป่วยมื่อโอ้ผมค่ะผมขายมาเก้าปีอยู่กินอยู่มาเก้าปีแล้วกับบริษัทนี่ก็โรคไม่ใช่ว่าแค่โรครูมาตอยนะโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงโรคเบาหวานก็ได้หมดพวกเนี้ยอืมเพราะพวกแกคือโรคทุกโรคที่มีปัญหาเกี่ยวกับเม็ดเลือดขาวแะที่เกิดจากเม็ดเลือดขาวอ่ะอืมช่วยได้กินมาหลายอย่างแล้วเออ <c oughs> ไอตัวเนี้ยมัน ตัวตัวที่ผมขายอยู่เนี่ยมันไม่เหมือนใครและก็ไม่มีใครเหมือนเพราะว่าบริษัทเขาจดจดเออเขาเรียกว่าจดสิทธิบัตรจดอทะเบียนไว้ไม่ให้ใครเอาไปขายได้ใครเอาไปขายก็ถูกฟ้องว่างั้นเถอะมมีแค่บริษัทนี้บริษัทเดียวเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่ากินมาหมดทุกอย่างอ่ะรับรองว่าตัวเนี้ยไม่เคยกินแน่นอนแสดงว่ายังกินไม่หมดนะเนี่ยตัวเนี่ย ถ้าเ่ามึงไทยได้สิบปีแล้วอยู่มึงไทยสิบปีแล้วผมก็ต้องหมอบอกไมต้องไมให้กนยาแก้ปวดมน่กินไม่ได้เด้อทีคือโรคพวกนี้มันต้องมันต้องคู่กับยาแก้ปวดอยู่แล้วครับยาก็ต้องค้อืมอืมอืมอืมันมอืมอืมอืมอืมาืมอืมาืมอืมอืมอาอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมออืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมมอืมอืมืมอมอนมมมอืมอ ถ้ากินแล้วมันไข้อ ย, ยังชั่วก็ต้องเราก็ต้องเลือดเอาไข้อ ย, ยังชั่วอนะ่ะอืมคนมันเป็นหมอไม่ได้เป็นด้วยนะวเนี่ยการจะมีกินกินไปแล้วมั่ดีไอคือตัวเนี้ยมันจะค่อยบูรณาการมันว่มันจะค่อยค่อยปรับค่อยค่อยอออทําให้เลือดเราดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอนะสุดท้ายถ้ายังกินประจําอยู่มันก็ไม่เกิด อาการปวดอาการแต่ว่ากระดูกกระดูกบ ว, วมห ง, งอกเร่องต่างมันช่วยไม่ได้มันมันก็ต้องอยู่อย่างนั้นตลอดไปอ่ะแต่ว่ามันไม่ให้ลุกลามไปมากกว่าเก่าเนี่ยต่อไปเราก็ไปไหนมาไหนเองได้กินข้าวกินปลาทําอะไรธุระอะไรของเราเองส บ, สบายสบายอืมเพราะว่าเลือดมันปกติแล้วไงปัญหาตอนนี้คือแก้ที่เลือดอืมอืมเอมอ ม, มันมีปัญหาที่เลือดตอนเนี้ยแก้ที่เลือดก่อน แล้วก็กินตัวเองด้วยพิจารณาตัวเองด้วยเดี๋ยวถ้ามันดีก็เอาไปช่วยเอาไปขายแถวๆนั้นด้วยอือเป็นการบอกบุญไปด้วยเราก็รักษาตัวเองด้วยได้บอกบุญไปด้วยอืมมีคนใช้เราก็ได้ตังแล้วก็ช่วยให้เราได้ซื้อถูกลงไปอือหรือสุดท้ายเราไม่ต้องซื้อก็ได้ถ้ามีคนซื้อกับเราเยอะพอรักษา ต, ตัวเองแล้วก็กินอือนั่นะเดี๋ยวมีต่อไปมีเพื่อน สมมติว่ามีสี่ห้าคนเนี่ยตอบไอ้ตัวเนี้ยปกติแล้วซื้อแล้วมันก็รวมสองพันนะต่อขวดน่นะอืมแต่ถ้าเกิดว่าเราเราเร า, เราชวนสักสี่ห้าคนที่เอเป็นอยู่นั่นแหะมากินกับเราเนี่ยเราอาจจะเหลือซื้อขวดแล้วไม่ถึงพันเอี <c oughs> เพราะมันรวมกันซื้อไนเหมือนสา ก, กรน่ะถ้าเกิดว่าเรารวมกันซื้อเนี่ยมันจะถูกถ้าซื้อเดียวเดียวมันก็ ค่อนข้างจะสูงอะ่ะอย่างตอนเนี้ยซื้อไปถ้ารวมกันได้สีขวดเนี่ยอ่ปกติแ ล, ล้วขวดหนึ่งมันมันมันร่วมสองพันอ่ะนะแต่ถ้าสีขวดเนี่ยมันก็ตกขวดแล้วพันพันพันสี่เองนะสีขวดตกตกพันสี่แล้วก็ไปแบ่งให้ให้คนนั้นซื้อคนนั้นสองพันคนนี้สองพันคนนั้นสองพันคนนี้สองพันเราก็ได้คืนมาแล้วถ้าเกิดเขาจะมาซื้อต่อจากเราอะ่ะอืม อ่าทีละขวดก็ได้เดือนเดือนหนึ่งก็พี่น้องเอ่อรวมรวมกันแล้วก็เดือนหนึ่งก็ร่วมสองพันนั่นแหละถ้าซื้อทีละขวดนะอืมร่วมสองพันแล้วก็ลองไปค่อยค่อ ย, อยพิจารณาดูถ้าตัวเองกินแล้วเริ่มดีขึ้นแล้วก็บอกคนโน้นคนนี้มันก็มีทางเดียวเท่านั้นแหละที่มันจะทำให้เราผ่อนคลายลงอะ่ะเข้าใจไคือคือถ้าเราจะรอให้พี่ให้น้อง ส่งเราทุกเดือนเนี่ยมันเขาก็มีภาระใช่ไหมอืมถ้าเกิด ว, ว่าเรากินแล้วเรารู้สึกดีขึ้นแล้วก็บอกคนอื่นเขารีบๆบอกคนอื่นเขาว่ามันดีงว่านี้แล้วก็ให้คนอื่นซื้อต่อจากเราซื้อร่วมกับเราเนี่ยมันก็จะลดภาระกับคนอื่นๆได้อย่างที่หมูขี้หมาเดือนหนึ่งเรามีสักพันครึ่งพันอย่างเงี้ยพี่น้องก็จะเบาแรงลงใช่ไหม คือโลกมันต้องคิดหาวิธีการน่ะมันต้องคิดหาวิธีการอยู่กับอยู่ในโลกใบนี้เนี่ยมันได้อ่ะมันเรามันต้องคิดอ่ะอืมตอนนี้ชีวิตเราก็เหมือนติดลบอ่ะนะอืมคนอื่นคนอื่นเขาไม่ได้เป็นเนี่ยเขาก็ยังปกติอยู่แต่ว่าเขาก็ไม่ได้ดีเลิอดอะไรแต่ว่าเราไม่ไดีดีเลิอดแต่ว่าเรามาติดลบที่เป็นโลกเนี่ยมันก็ต้องหาต้องคิดมากกว่าเขาอะ่ะอืมที่จะอยู่กับโลกเนี้ย มีอะไรก็โทรมาคุยปรึกษากับผมได้อืมไม่เข้าใจในี่ถ้าไปเจอคนป่วยก็เอาเอ า, เอาโทรศัพท์เนี่ยให้ให้คุยกับคนป่วยได้เดี๋ยวผมจะคุยให้มึงจะบอกให้เขาซื้อแล้วเราก็ได้ตังค์อ่ะเป็นการช่วยภาระของพี่พี่น้อ ง, น, องน้องด้วยอืมเราต้องคิดมากกว่าคนอื่นเขานะเพราะว่าเราเป็นผู้ต้องอาศัยเขานหะอืมฮะ ไม่มีปัญหาหรอกเรากินตัวเนี้ยไม่มีอะไรเคียงที่บอกว่าโรคเนี้ยไม่มียาแต่ตัวเนี้ยมันช่วยได้เพราะเพราะมันไม่ใช่ยาอืมถ้าใครบอกว่ายายายานี่ยอย่าไปซื้อกินเจ้าหนักกว่ายาแก้ปวดที่หมอให้มาอีกอะเพราะยายาที่หมอให้กินเน่ะตอนเนี้ยมันก็แย่อยู่แล้วถ้าเราไปซื้อยากินเองนี่เท่ากับว่าเราเราเพิ่มปริมาณยาที่เป็นอันตรายเข้าสู่ร่างกายเราอีกอืม ใช่ใช่มันเป็นอาหารเสริมเป็อาหารเสริมไม่มีอันตรายหรอกอกินได้สบายสบายช่วยตับช่วยไตด้วยเพราะตอนนี้กินยาหมอเราก็ต้องเสียตับเสียไตอยู่กินยาแก้ปวดเนี่ยเสียตับเสียไตอยู่แต่มันก็ต้องกินนะเพราะมันปวดอืมแต่ตัวเนี้ยมันจะช่วยให้เราคือคือถ้าการมันดีขึ้นเลือดดีขึ้นเนี่ยอการกินยาอะไรต่างๆมันก็จะเบาบางไปเพราะโรคเนี่ยถ้าถ้าเกิดว่า ไม่เป็นอย่างยาแค่ปวดเนี่ยถ้าไม่ปวดแล้วก็ไม่กินมันอยู่แล้วใช่ไหมอ่าอ่านั่นเองก็คือถ้าเกิดว่าเลือดมันดีเสร็จเนี่ยมันมันไม่ทําลายเนี่ยไม่เกิดการอักเสบไม่เกิดการบวมเนี่ยมันก็ดีลงเนี่ยเราก็เราลงแล้วก็ไม่ต้องกลีกเลี่ยงไม่กินมันได้ลองลองไปกินดูมันก็มันก็ปวดใช่ใช่ใช่ใช่ต้องกินอยู่แล้วอันนี้เรื่องกินยาแค่ปวดเป็นเรื่องธรรมดาอืม จะห้ามกันไม่ได้หรอกคนมันจะตายอ่ะอืมอ่ะตามตามนั้นแหละอ่ายังไงก็ปรึกษากันดูนะอ่าก็นั่นก็ส่งจะได้ส่งของให้จะได้เริ่มบูรณาการร่างกายใหม่มาลงมาเร็งอยู่ในร่างกายถ้ามีช่วยได้หมดแหละโไอผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยอืมอ่ะโอเคเนาะครับผมวันดีครับ